เอาเรามาฟังเฮสดดีกันนะจ๊ะลูกเกิด้นครอบครัวเกษตรกรรมมีความลำบากลำบากมาตั้งแต่เด็กพี่น้องหลายๆคนได้ดิบได้ดีมีมการศึกษาแต่ตัวของลูกนั้นขณนะเรียนอยู่ปถมศึกษาหนึ่งปหนึ่งยังไม่จบ คุณครูเกิดมีอาการมีอาการอะไรเนี่ยทำให้เจ้าของเคสซีเรียนไม่จบป .1 เจอกระทั่งบัดนี้มีอาการเป็นโรคประสาทจึงต้องหยุดทําการสอนคุณพ่อแล้วคุณแม่จึงไม่ให้ลูกเรียนต่อเพราะเห็นว่าเป็นลูกผู้หญิงไม่จําเป็นต้องเรียนมากลูกจะไม่ได้เรียนหนังสือ เมื่อโตขึ้นในยุได้ยี่สามปีคุณพ่อแ ล, และคุณแม่ก็เลยให้เรียนอีกแบบหนึ่งเรียนเป็นแม่บ้าน<อ>ก็จัดหาสามีให้เสร็จเรียบร้อยอขนาด น, นั้นตัวลูกคิดว่าถ้าบุคคลใดที่คุณพ่อและคุณแม่เลือกให้บุคคลนั้นใช่เลยลู ก, กรักเคารพท่านจึงทําตามโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆสามีของลูกก็เกิดในสังคมเกษตรกรรมและก็ไม่ได้เรียนหนังสือเช่นเดียวกัน เป็นคู่สร้างคู่สมเลยฮะไม่เรียนเหมือนกันนะแต่เป็นคนนิสัยใจคอดีมีน้ำใจขยันไม่เคยดุด่ า, าว่ากล่าวลูกๆเลยแต่ว่าสามีมีอุปนิสัยชอบเลี้ยงไก่ชนแล้วถ้ามีโอกาสก็จะนำไก่ที่เลี้ยงไว้ไปชนตามที่ต่างๆที่เขาจัดงานขึ้นซึ่งแต่ละครั้งในการชนไก่ ถ้าไก่แพ้ได้รับบาดเจ็บมากทาชาะก็บอกช้ำน้อยแต่ทุกครั้งสามีก็จะนำมารักษาเลี้ยงดูเป็นอย่างดีไม่จับเอาไปฟาดที่เสาหรือพื้นหรือบิดคอไก่ไมาอย่างนั้นบอนที่ไปชนไก่ก็ไม่ใหญ่โตมากอยู่ในระดับชาวบ้านจะได้เสียจากการม น, นันครั้งละสองสาร้อยบาทแล้วจะใครมีกำลังทรัพย์มากหรือน้อย น้าวัหนุ่มสามีางลูกเล่นกีฬาชนไก่เนี่ยไอ้แม็กที่จริงไม่ใช่อากีฬาเนี่ยตงตัดออกไปเล ย, ยก็ได้เงินส่วนหนึ่งมาเลี้ยงดูลูกๆที่กําลังเล็กอยู่แต่ว่าเมื่อลูกๆโตขึ้นเขาก็ยังเล่นเพื่อคลายเครียดที่จริงยิ่งเล่นยิ่งเครียดพอไปคลายก็เลยเครียดไม่ใช่คลายเครียดเนี่สามีเล่นไก่ชนมาเป็นระยะเวลาเกือบสี่สิปี และหามา่าใดที่จะทานแกงไก่สามีั้งจะใช้มือทั้งสองเชือดไก่ที่เลี้ยงไว้อเองอีกด้วยทั้งชนทั้งเชือดแต่ในขณะนี้สามีเลิกทั้งเล่าบุหรี่และใบกระท่อมเลิกฆ่าไก่ฆ่าสัตว์รวมทั้งการชนไก่ทั้งหมดและได้มาพบกับเส้นทางบุญได้พบกับหลวงพ่อและหมู่คณะเมื่อตอนอายุเกือบ60ปี ตอนนี้อายุ64ปีแล้วได้สร้างเรืมีกระหมูคณะมาตลอดแล้วก็เป็นนักเรียนอุดรบานฝันในฝันวิทยาทุกวันด้วยปัจจุบันเซลลด้านขวาของสามีเอียงเหมือนคนที่กระดูกหักซึ่งอาการเกิดขึ้นแบบค่อยๆเป็นทำให้เวลาเดินจะเอียงไปทางด้านขวาทำให้ปวดกระดูกแลอเมื่อไม่นานนี้ปวดตาเพราะโดนควันไฟได้ไปพบหมอ แต่หมอให้ย า, ใ ห, ยาให้ยาพิษเอายาทาแผลมาให้าสามีไม่ตันสังเกตจิงหยดลงในตาพราะก็ระแสบตาต้องล้างในน้ำเกลือด้วยตอนเองอลงช้าไปหาหมอหมอก็อล้างให้อีกครั้งตาก็เลยเบลอมัวๆเส บ, แ, สบแต่ตอนนี้ดีขึ้นค่อยมองเห็นเรื่อยๆ เราคิดว่าอาจจะเป็นเพราะกรรมชนไก่ลูกมีบุตร์8คนคนที่หนึ่งและสองเสียชีวิตพอท้องคนที่สามคือลูกสาวคุณโตก็มีผู้แนะนำว่าต้องไปให้หมอไสยศาสต ร, ร์ทำพิธีสวดมิฉะนั้นอาจจะเสียชีวิตอีกแล้วก็เราเมื่อทำพิธีเสร็จลูกสาวก็คลอดได้ตามันเวลาที่หมอไสยศาสต ร, ร์บอกหมอไยเวทบอก ยังมีสิ่งที่สงสัยอยู่ในใจของลูกตลอดเวลาอีกอย่างคือลูกชายแต่ละคนมีเหตุให้พิการที่ขาทุกคนซึ่งเรื่องราวก็มีดังนี้ค่ะลูกชายคนโตเมื่อสิบปีที่แล้วมีเหตุเกิดปากเสียงกับเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนเนื่องจากขาดสติเพราะดื่มเหล้าเพื่อนทั้งมีปืนอยู่ในมือจึงตั้งใจจะยิงให้ตาย แต่เจ้าเดชที่มีเพื่อนอีกคนหนึ่งคว้าไว้ลูกศรสิงห์พุ่งไปที่ขาด้านซ้ายพุ่งไปที่ขาด้านซ้ายแต่รับการรักษาเสริมเหล็กที่ขาซ้ายจนถึงปัจจุบันนี้ทำให้ลำตัวเอียงด้านซ้ายเดินกระโเผกกระเพกพ่อเอียงด้านขวาลีโลคุณโตเอียงด้านซ้ายลูกชายคนรองเมื่อเจปีที่แล้วก็เกิดอุบัติเหตรุรถมอเตอร์ไซค์หกล้ม อนอนรักษาพยาบาลอยู่สามเดือนปัจจาบาลก็เดินเอียงทางด้านซ้ายเวลานั่งพะเพียวก็ไม่สะดวกนั่งได้ไม่นานต้องยืดขาและยังมีโรคน้ำในหูไม่เท่ากันทำให้เวียนศีรษะมีอาการเหมือนทุกอย่างรอบตัวหมุนได้ลูกชายคนสุดท้ายขณะที่เขาจะเกิดลูกจะมีอาการเจ็บท้องอยู่หลายวัน ถึงวันที่จะคลอดลูกก็นั่งรถไปโรงพยาบาลโดยมีหมอตำแยนนั่งไปด้วยแต่ปรากฏว่ายังไปไม่ถึงโรงพยาบาลลูกชาคนนี้ก็คลอดในรถแล้วยังยังกับพะเวสันดอนเงี้เขามีเท้าที่ผิดปกติเคยเป็นโปลิโอขาข้างขวารีบและฝ่าเท้าหงายขึ้นมาด้านบนเมื่อเขายัางเป็นเด็ก ลูกก็จะคอยนวดและก็ดัดให้เขาไม่เคยไปรักษากับหมอแต่ก็ปรากฏว่าน่าอัศจรรย์ที่ท้งลูกชายค่อยๆพลิกไปทีละนิดทีละนิดจนเกือบปกติเหลือแต่เพียงเอียงทางด้านขวาและลีซึ่งส่งผลใ้กระดูกส่วนต่างๆเคลื่อนตัวทำให้ปวดกระดูกบ่อย ลราจะมีบุคคลนันเป็นที่รักอีกคนหนึ่งคือพี่ชายของลูกพี่ชายเปนคนชอบช่วยเหลือวัดต่างๆและเคยมาวัดพระธรรมกายประมาณสามครั้งแต่ยังชอบเล่นชนไก่ในบางครั้งเมื่อเพื่อนๆชวนอีกทั้งยังชอบปล่อยเงินกู้ด้วยพี่ชายมีอาการป่วยที่แปลกคือตัวลอกตกสะเก็ดทั้งตัวเจ็บแสบและคันอยู่ระยะหนึ่งเป็นจนกระทั่งทั้งตัว ของพี่ชายผิวกลายเป็นสีชมพูในขณะที่ปกติเป็นคนผิวดำมาก oh. ก่อนเสียชีวิตลูกเด่นนำเทพสวดมนต์เปิดข้างหูตลอดเวลาพี่ชายจากไปด้วยอาการสงบเมื่ออายุได้73สปีขณะนั้นพี่ชายยังสร้างอ ง, องค์พระธรรมกาพยมตัวไม่เสร็จขาดอยู่สอง0ันบาทลูกจึงช่วยสร้างให้ ส่วนตัวลูกเองนั้นขวบ ร, รมายเมื่อยุคเกือบ58ปีตั้งแต่ขวัดมาก็มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยิ่งได้เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันแล้วยิ่งทำให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นตอนนี้ลูกเป็นโรคไตที่ไม่ร้ายแรงมากนักรวมทั้งกระดูกทับเส้นอีกทั้งเป็นโรคเบาหวานมาเกือบ15ปีแล้วคิดว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือนี้ สร้างบุญกับตนเองมากๆคําถามทําไมลูกและสามีจึงเกิดมาในครอบคกกรัวเกษตรกรรมไม่ได้รับการศึกษาเหมือนกันคือทั้งพ่อบ้านด้วยก่อนแต่งงานก็ไม่ได้เคยเห็นหน้ากันและก็ไม่เคยรักกันมาก่อนเพราะมีบุพกรรมใดคะทําไมสามีของลูกจึงมีเซลลเอียงทางด้านขวา แล้วทำไมคุณหมอจึงเอายาผิดมาให้สามีหยอดตาจนต้องปวดตาและตาเบลอนอกจากนี้ยังเป็นโรคความดันสูงด้วยเกิดจากวิบากกรรมใดคะช่วยกันจำคำถามนะจะสามีของลูกเลิกเล่นชนไก่แล้วจะจะมีวิบากกรรมในอนาคตอย่างไรบ้างคะจะแก้ไขวิบากกรรมนั้นได้อย่างไร ลูกคนที่สามไม่เสียชีวิตเหมือนลูกคนที่หนึ่งที่สองเพราะหมอศัยศาสตร์ช่วยเอาไว้หรือไม่และหมอศัยศาสตร์ทราบวันคลอดได้จริงหรือไม่เพราะเหตุใดคะการที่ลูกชายทั้งสมคนมีขาที่ไม่ปกติจะเกี่ยวเนื่องกับกรรมที่สามีมเล่นชนไก่หรือเปล่าคะลูกชายทั้งสามคนมีบุปกกรรมอย่างไรจรึงต้องพิการที่ขา แล้วแต่ละคนต้องใช้กรรมนี้ไปอีกกี่ชาติควรแก้ไขอย่างไรลูกชายคนรองเป็นโรบน้าในหูไม่เท่ากันเพราะทำบุญกรรมใดมาคะทำให้ลูกชายคนล็กจริงต้องเกิดในรถด้วยความทุกข์ทรมานและการที่ขาและเท้าดีขึ้นจนเกือบเป็นปกติเพราะบุญอะไรช่วยไว้ควรทำบุญสิ่งใดเป็นพิเศษอาการจริงจะดียิ่งขึ้น ลูกๆของลูกแต่ละคนมีความศรัทธานในหมู่คณะที่แตกต่างกันแต่ที่ศรัทธามากเข็นจะเป็นลูกชายคนเล็กเพราะทุกคนในบ้านมาสร้างบา ร, รมีกับหมู่คณะได้กับพระลูกชายคนเล็กลูกๆของลูกได้สร้างบนบา ร, รมีของหลวงพ่อและหมู่คณะมาอย่างไรคะพี่ชายลูกทําไมมีอาการตกสะเก็ดผิวเปลี่ยนไปเป็นสีชมพูพี่ชายมีคตินิมิตเป็นอย่างไร ตายแล้วไปไหนการที่พิชายสร้างองค์พระธรรมกายยังไม่เสร็จและลูกช่วยทำให้สำเร็จพี่ชายจะได้บุญอย่างไรคะคุณพ่อและคุณแม่ลูกเสียชีวิตแล้วขณะนี้ท่านอยู่ที่ไหนคะลูกทำบุญอะไรก็นึกถึงท่านเสมอท่านอยู่สุขสบายดีอยู่หรือไม่อย่างไรคะเพราะบุป ร, รมใดโรกลูกจึงเป็นโรคไตโรคเบาหวาน รมนั้นกระดูกทับเส้นควรแก้ไขอย่างไรเพื่อให้พ้นจากวิบากกรรมนั้นแล้วทาไมจึงพบคนคอยเบียดเบียนทรัพย์ของลูกอยู่เสมอลูกสามีสร้างบารมีมาอย่างไรทําไมจึงมารู้จักหมู่คณะตอนอายุมากแล้วลูกชายคนเล็กแนะนํนาว่า้ทําใจผูกกับพระรัตนตรยัยหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเวลาทําบุญก็ขอให้ไปอยู่กับท่านไม่ทราบว่าจะมีโอกาส ไปดูสบุรีวงบุพเศษได้หรือเปล่าคะนี่ก็เป็นคำถาม12บสองข้อสั้นๆเอามาฟังฝันในฝันกันจะ้ะโลกและสามีต้องมาเกิดในสังคมกเกษตรกรรมไม่ได้เรียนหนังสือแต่งงานกันโดยไม่เคยเห็นหน้าและรักกันมาก่อนเพราะ ในอดีตทาทานมาไม่มากโดยเกิดในสังคมกเกษตรกรรมเหมือนกันและทั้งคู่ก็มีกรรมคล้ายกันใกล้เคียงกันคือให้ลูกของตัวแต่งงานโดยลูกถูกจับแต่งงานเหมือนตอนในชาตินี้แหละอีกทั้งไม่สนับสนุนให้คนเรียนหนังสือ จึงทำให้ไ ม, ไม่เรียนหนังสือสูงไม่มีปัญญาบา ร, รมีทางด้านนี้เพราะฉะนั้นถึงคราวตัวก็มาเจออย่างนี้บ้างสามีลูกอดีตชาติอย่าลืมเอียงขวาสามงลูกอดีชตาาดชาติเคยเป็นนักมวยโบกกรรมตีไก่และฆ่าสัตว์ทรอาหารในปัจจุบัน ตอนเป็นนักมวยเนี่ยชอบเตะคู่ต่อสู้และต่อยจนเขาตาบวมเบลอคือนอกจากจะเตะเก่งต่อยเก่งแล้วยังยังยังยังเอายาทามือเนียยาที่เวลาโดนแล้วมันบวมบวมเบลอเนี่ยสมัยก่อนสมัยอดีตนะเนย ที่เวลาต่อยโ ด, น, ดนแล้วยามเข้าไป็รูปตาคู่ต่อสู้ทำให้เขาบวมบวมเบลอเงี้ยเนี่ยทาที่มือทาที่ผ้า พ, พันมือต่อยกันต่อยเกง่งแต่เกง่งแต่พอเจอคู่สู้เก่งกว่าก็จะเจอยาที่มือเพราะเตะจริงทําให้เซลเ อ, เอียงทางด้านขวาเลยแหละและกับพระเอายาทามือ ต่อยกูต่อสู้เนี่ยไรบรรดาี่คุณหมอห ย, ยิบยาผิดมาหยอดตาทำให้ปวดตาและบวเบอแล้วก็ทำให้เป็นโรคความดันสูงด้วยเพราะว่าบวกกรรมฆ่าสัตว์ธรรมหา น, นั่ต่างๆตอนนี้กรรตีไก่จะทำให้เกิดอุปัติเหตุเพศภัยหรือวิบัติต่างๆมาบีบคั้นชีวิตของเราอีกทั้งทำให้มีโรคมาก ตบมาเลิกชนไก่ก็จะทำให้กรรมที่ส่งผลก็จะส่งเฉพาะเท่าที่ตัวธรรมาแต่นั้นจะ แ, แก้ไขก็ให้ทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆรักษาศีลแปดทุกวันพระอย่างจริงจังแล้วทิดบุญไปให้สัพสัตเหล่านั้นหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็ไปดีจ้าลูกสาวคนโตลูกคนที่สาม ไม่เสียชีวิตเหมือนลูกคนที่หนึ่งและสองะไม่ได้เป็นเพราะหมอศยศาสตร์ช่วยไว้แต่เป็นเพราะลูกสาวคนโตทำไม่ได้มีกรรมหนักขนาดถึงตายหมอศยศาสตร์รู้วันคลอดเพราะจารวิทยทรคอยกระสิบบอกบวกวาการคาดคะเนคำนวณอายุวันเดือนปีด้วยกรรมที่ลูกชายทั้งสามมีขาที่ไม่ปกตินั้น เกี่ยวเนื่องกับกรรมที่สามีเล่นชนไก่จ้ะเพราะว่าจะไปดึงดูดพวกที่มีกรรมเกี่ยวกับปาณาติบาต่มาเกิดและกรรมประเภทประเภทนี้ชนกันเนี่ ย, ยกรรมเห็นไหมชนไก่มันก็จะเป็นดึงดูดพวกนี้มาลูกชายคนโตลูกคนที่สี่เดินลูกศรนสนจากป่วย ก, กับเพื่อนที่ทะเลาะกันเพราะเมา จนนํำไปขาซ้ายเดินกับโผล่กระเพกเอียงซ้ายเพราะกรรมแนอดีก็เป็นนักมวยคล้ายพ่อแนอดีนั่นแหละถ่าดันในการเตะซ้ายเจาะยางทําให้คู่ต่อสู้เดินกระเพกและมีกรรมโดยเคยทําร้ายคนอื่นนอกเวทีครั้งหนึ่งไปดื่มสซดาและก็เล่นพ น, นันได้ทะเลาะกับได้ทะเลาะกัน เมาๆแล้วก็จึงได้ยกพวกตีกันจนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บที่ขาซ้ายถนัดเตะเจาะยางเดินขาเด้งไปเลยลูกชายคนรองคือลูกคนที่ห้าเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้ต้องเดินเอียงซ้ายและเวียนหัวเพราะกำเนินดิก็เป็นนักมวยเหมือนกัน ตกลงเรามีสามมวยแล้วนะชอบชกต่อยแล้วก็มีการตีไก่เหมือนพ่อเนี่ยที่เดินดิ่งเดี่ยงนี่เลย<อ>เลยเวียนหัวเลยต่างๆ<อ>ก็ไปเตะเขามุนอเอียงอะไรเง้ย น, น้ำในหัวมีเทากันเ<อ>ือจะทำให้เกิดเหตุที่ทำให้มืนมืนเวียนหัว<อ>แล้วก็เดินเอียงเนี่ย<อ>ลูกชายคนแรกคนที่เจ ขาข้างขวาลีบและฝา่าเท้าหายหายขึ้นมาหายงายขึ้นมาด้านบนภาษาใต้หรือเป่าหายหายเพราะกำเนดิดดตเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบทออกรบฆ่าขา้าศึกตายเปน็นนันมากที่ขาเป็นปริโอเพราะครั้งหนึ่งจับข้าศึกมาได้จิงล่ามโซ แล้วก็ให้ม้าลากไปทำให้ขาดศึกทรมานมากที่ขาข้างขวานอะลรจะเลยเดี้ยงลูกทั้งสามคนจะต้องทำทารักษาศีลเจ็เริ่มภาวนาและสร้างบารมีทำทุกบุญอย่างเต็มที่อยู่เนืองนิดบ่อยๆเป็นประจำแล้วทิศบุญกุศลไม่ให้ผู้ที่เราไปเบียดเบียนเขาหนักก็จะเป็นเบา บ่ก็จะหายตายก็ไปดีจ้ะเพราะนั้นลูกชายสองคนก็เป็นนักบวยเหมือนพ่อส่วนลูกชายคนเล็กนั่นเป็นทหารกรรที่ทรมานข้าศึกจึงทำให้เกิดในรถเกิดมากระทุกทรมานแต่ต่อมาภายหลังขาและเท้าดีขึ้นจนเกือบปกติเพราะบุญที่ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิต ตามมาช่วยไว้ให้ใช้ร่างกายทำความดีให้จริงๆกันไปก็จะทําให้ดีขึ้นกว่านี้อีกจ้ะเกิดในรถพ่ะไปทรามานข้าศึกมากในที่แคบๆลูกๆของลูกส่วนใหญ่ก็ได้สร้างบา ร, รมีมามขโมยคณะแบบตามอารมณ์ไม่สม่ําเสมอทําให้บางชาติก็เจอหมู่คณะบางชาติก็ไม่เจอ แต่ว่าลูกชายคนเล็กได้สร้างมมีกมุขนามาตลอดทำให้มีศรัทธาอุทิชีวิตให้กับงานพระศาสนาจ้ะพิชางรูปมีอาการตกสะเก็ดผิวเปลี่ยนไปเป็นสีชมพูเพราะกำเ น, นอาอดีตได้เคยทำอาหารหมกสัตว์ในไฟทั้งเป็นเช่นจับปลามาได้ก็จะหมกเข้าไปในกองไฟทั้งเป็นนลจ้ะการตายกตินิมิตรใสในระดับหนึ่ง ได้ไเกิดเป็นภูมิทวาชั้นดีมีวิมานอยู่มีอาหารที่เป็นต้นจ้า<อ>การที่พิชายสร้างของพระธรรมกายก่อนตายแต่ยังไม่เสร็จแล้วลูกมาทําต่อจนเสร็จ<อ>ก็ทําให้มีผลปิดอบายภูมิ<อ>ทั้งท้งที่ทําผิดศีลหลายข้ อ, อได้มาเป็นภูมิทวาชั้นดีก่อนดังกล่าวแล้วจ้า<อ>ทาบุญอุทิศไปให้เรื่อ ย, อยๆก็จะมีสภาพที่ดีขึ้นกว่านี้อีกจ้า คุณพ่อและคุณแม่ของลูกนะตายแล้วก็ไปเป็นภู ม, มิเทวะโดยบุญที่ทําตามประเพณีจ้าท่านทั้งสองก็ได้รับบุญที่หลูกอุทิศไปให้แล้วจึงทําให้มีสภาพที่ดีขึ้นจ้าโลกเป็นโลกตายเพราะปล่อยเงินกู้ดอกโหดแต่ว่าโหดน้อยหน่อยเป็นโลกเบาหวานเพราะขาดสัตตมหานโล ก, กระดูกทับเส้นเพราะกรรมขาดสัตตมหานเช่นเดียวกันจ้า ที่ลูกมีนความรู้สึกว่ามีคนคอยเบียดเบียนทรัพย์ของลูกเสมอนั้นลูกก็จะไปคิดอะไรเลยคิดว่าทำบุญนำทานกันแล้วกันโดยพิจารณาว่าคนใดเนี่ยที่ควรจะช่วยคนใดไม่ควรช่วยก็พิจารณาเป็นรายๆายไปเนี่ยก็จะทำให้ไม่ทุกข์มาก เรากะแถมจะมีความสุขด้วยเพราะช่วยเราช่วยในระดับที่เราไม่เดือดร้อนและถูกหลักวิชาให้ลูกสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆจ้าลูกสามีได้สร้างบ ร, รมีกมูขณนะแบบตามอารมณ์แต่ถ้าบางชาตก็เจอบางชาตก็ไม่เจอชาได้โชคดีได้ลูกชายคนเล็กเป็นกันลยาณมิตรก็เห็นมันสั่งสมบุญทุกบุญให้เต็มที่ลาติฐานจิตตามติดไปดูสิทธตบริจา เราบุรจุภาพกันลูกและสามีเกิดในสังคมเกษตรกรรมมาเดีเรียนหนังสือแต่งงานกันโดยไม่เคยเห็นหน้าร้อยในอดีตทำทานมาไม่มากเกิดในสังคมเกษตรกรรมมีกรรมคล้ายกันได้จับลูกแต่งงานในชาตินั้นเหมือนตอนในชาตินี้แล้วก็ไปสนับสนุนให้คนเรียนหนังสือมีกรรมคล้ายกันอดีตชาติสามีของลูกเคยเป็นนักมวยชอบเตะคู่ต่อสู้ และต่อยจนเขาตาบวมเบลอเพราะยาทามือทาผ้าพันมือบางทีก็เอาพลิกพลิกไรไทยบูกกรรมตีไก่และค่าสัตว์ทำอาหารในปัจจุบันทำให้เอลเอียงด้านขวาหมอหยิบยายอดตาผิดจึงปวดตาและเบลอและเป็นโรคความดันสูงบางคนเอาพลิกทานะแข่งเตะก็สงสัย้าไมเตะแล้วปวดแสบปวดร้อน กรรมเด้กไก่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุเพศภัยหรือวิบัติต่างๆมาบีบคั้นชีวิตของเราอีกทั้งทำให้มีโรคมากต่อมาเลิกชนไก่ก็กจะทำให้กรรมส่งผลเท่าที่ตัวทรมาจะแก้ไขทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆรักษาศีลแปดทุกวันพระอย่างจริงจังแล้วก็ทิฏฐิบุญแม่สาบรสัตเหล่านั้นหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็ไปดี ลูกสาวคนโตคนที่สามไม่เสียชีวิตเหมือนลูกคนที่หนึ่งสองเพราะเขาไม่มีกรรมหนักขนาดถึงตายหมอศัยศาสตร์ระวันคลอดเพราะจะรวิาทย์ธรคอยกัสซิ บ, บอกบวกกับการข้ากันเองคำนวณอายุวันเดือนปีด้วยจ้ากามที่ลูกชายทั้งสามีมขาที่ไม่ปกตินั้นเกี่ยวเนื่องกับกรรมลิสา ม, มีเล่นชนไก่เพราะจะไปดึงดูดพวกมีกรรมเกี่ยวกับปานาธิบาตมาเกิดลูกชายคนโต คือคนที่4ี่โดนลูกกระสุนจากปืนของเพื่อนทําให้ขาซ้ายเดินกะเพกเอีงซ้ายเพราะกรรมในอดีตเป็นนักมวยถนัดในการเตะซ้ายเจาะยางทําให้คู่ต่อสู้เดินกระเพกและก็มีกรรมเคยทําร้ายคนอื่นนอกเวทีครั้งหนึ่งไปดื่มโซดาและเล่นพ น, นันได้ทะเลาะกันมมมเมากระยกพวกตีกันจนอีกฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บที่ขาซ้าย ลูกชายคนรองคนที่ห้านะ่ะเกิดอบัติเหตุแล้วทำไมเดินเอียงซ้ายแลเวีนหัวเพราะกรรมในอดีตเป็นนักมวยเหมือนกันชอบชกใต้และก็มีกรรมตีไก่เหมือนพ่อลูกชายคนเล็กขาขวาลีบและฝ่าเท้าหงายขึ้นเพราะกรรมในอดีตเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบท ด, ด อ, อกรบกล้าคสึกตายเป็นนั้นมากขาเปยวพราครั้งหนึ่งจับคสิคกล่ลมโซ่ให้ม้าลาก ทำภห้การศึกทรมานมากที่ขาข้างขวาลูกทั้งสามคนต้องทำทารักษาศีลเจริญภาวนาและสร้างบาลมีทำทุกบุญอย่างเต็มที่อยู่หนึ่งนิดแล้วที่บุญกุศลไปให้ผู้ที่เราไปเบียดเบียนเขาหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็ไปดีการที่ท ร, รมานการศึกทาให้รรรรเกิดในรถเกิดมา ก, กัทุกท ร, รมาน แต่ตมาภายหลังขาและเท้าดีขึ้นจนเกือบปกติเพราะบุญที่ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตตามมาช่วยไว้ให้ใช้ร่างกายทำความดีให้ยิ่งๆกันไปจะทําให้ดีขึ้นกว่านี้อีกจา้าลูกๆของลูกส่วนใหญ่ได้สร้างบรมีกับหมู่คณะแบบตามอารมณ์ไม่สม่ําเสมอทําให้บางชาติเจอหมู่คณะบางชาติก็ไม่เจอแต่ลูกชายคนเล็กได้สร้างบรมีกับหมู่คณะมาตลอด ทำให้มีศรัทธาอุทิศชีวิตให้กับงานพระศาสนาพี่ชายรูปมีอาการตกสะเก็ดผิวเปลี่ยนไปเป็นสีชมพูแล้วกำเนื้อดีเคยทําอาหารหมกสัตว์ในไฟทั้งเป็นฉันจับปลามาได้ก็จะโยนหมกไปในกองไฟทั้งเป็นเลยก่อนตายคตินิมิตใสในระดับหนึ่งได้ไปเกิดเป็นภูมิเทวาชั้นดีมีวิมานอยู่มีอาหารทิพเป็นต้น การที่พิชายสร้างองค์พระธรรมกายก่อนตายแต่ยังไม่เสร็จและลูกมาทำต่อจนเสร็จทำให้มีผลปิดอบายภูมิทั้งๆที่ทำผิดมันหลายข้อได้มาเป็นพุมมเทวาชั้นดีก่อนดังกล่าวให้ทำบุญทิฐไปให้เรื่อยๆก็จะมีสภาพดีขึ้นกว่านี้จ้าคุณพ่อและคุณแม่ลูกตายแล้วเป็นพุมมเทวาได้บุญที่ทาตามประเพณี ทนทั้งสองได้รับบุญที่ลูกทิดาไปให้จึงทาให้มีสภาพที่ดีขึ้นลูกเป็นโรคไตเพราะปล่อยเงินกู้ดอกโหดเล็กๆ เ, เป็นโรคเบาหวานและกระดูกทับเส้นเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทําอาหารลูกไปคอยรู้สึกว่าคนคอยเบียดเบียนทรัพย์ของลูกเสมอนั้นลูกก็จะไปคิดอะไรเลยให้คิดว่าเราทําบุญนาทาน เดาพิจารณาไปลายลายไปว่าคนใดควรช่วยคนใดไม่ควรช่วยให้ลูกสั่งสมบุญทุกๆบุญให้มากๆจ้าลูกกับสามีที่สร้างบรมีกมุขคณะแบบตามอารมณ์แต่นั้นบางชาติมาเจอบางชาติก็ไม่เจอชาตินี้โชคดีได้ลูกชายคนเล็กเป็นกัละยาณมิตรให้มันสั่งสมบุญทุกบุญให้เต็มที่และอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีจา กบเป็นเรื่องราวของแคงสต ด, ดี้สั้นๆ ส, สำหรับคืนนี้